เรื่องอบรมพระนุ่มตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอแสดงความเคารพนับถือเพื่อนสัตมดมิ์ทเมกผู้ไฟในธรรมผู้ไฝหา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 ซึ่งกับผมเองกูเป็นหัวเรืเอรใหญ่ที่เรียกว่า <c oughs> เป็นโต้โหใหญ่ก็รู้สึกยินดีในต่ออนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายแต่ขออภัยซุ้มเสียงไม่ไหวช่วงนี้นะเพราะว่าพูดมา ก, มา ก, มากงานมันก็เยอะดังพี่ท่านเห็นอยู่ในบอร์ดวันนี้เราควรจะได้พูกันในแง่ ม, มุม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 อย่างน้อยต้องหนึ่งเดินหนึ่มเต็มที่นี้แต่บางเออนปีนี้การสอบก็ดีมันก็มีปัญหาดังที่ท่านหลายได้รู้ได้ทราบกันไปมันก็เลยเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนการฝึกอบรมกันมาจนถึงเดือนนี้แล้วก็ยังน่าอนุโมทนนาเพราะว่าปีนี้มีแต่อย่างเติร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 ก็จะมีพวกครูบาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธ์ติดกันอย่ายซึ่งฝ่ายธรรมยุทธ์นั้นแน่นอนประชาชนให้ความเคารพนับถือกูดวินของท่านเดมมากหรือปฏิปทาของท่านภายนอกงดงามเรื่องสิลเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ปรม า, าจารย์ใหญ่อย่างท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ฟันอาจารย์วัน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 การประพฤติการปฏิบัตินั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาในะเมื่อเราเข้าใจสังภาวิชาการแล้วแต่มันก็มีปัญหาขึ้นมาตรงที่ว่าเราไม่ทำกันเราไม่ทำกันจริงๆนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายพระนุ่มเนนน้อยที่ได้มารวมกันในป่าแห่งนี้เราอยากได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องใหม่ขอให้เข้าใจวันนี้เป็นเรื่องเก่า เรื่องดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าพระอรหรันต์พระเรียเจ้าทั้งหลายท่านกระทํากันอย่างนี้การศึกษาในทางพุทธศาสนามันก็มีสามอย่างตอนนี้คือสินสิกขาคิตตสิกขาปัญญาสิกขาแล้วก็มาเพิ่มคำว่าอะาิสินสิกขาอาธิคิตตสิกขาอะทปัญญาสิกขาเพิ่มขึ้นมาอีกการเพิ่มขึ้นมานี้ก็ เพื่อมันยิ่งยิ่งใช้คำว่ายิ่งอาธิยังแปลว่ายิ่งอาทิเจตสิกขาการศึกษาทางจิตอันยิ่งอาธิปัญญาสิกขาการศึกษาทางปัญญาอันยิ่งไอ้พวกเนี้ยคอยเราทัางหลายได้เข้าใจวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่เราเริ่มในการศึกษาทางจิตจากนี้แต่ผมอดไม่ได้ที่จะแสดงความ ที่อกดีใจที่เห็นพืชสาสมิต ท, ทั้งหลายได้ต่างอกตั้งใจกันประพฤปฏิบัติหนึ่งทางสมาธิภาวนานโดยเฉพาะท่านที่มาจากต่างอาวาดต่างวัดก็คงจะยังไม่คุ้นเคยกับการชันอาหารมื้อเดียวการชันอาหารในบาตแล้วการเป็นอยู่เรียบง่ายใต้โคนไม้อยู่ในกฎลักษณะเช่นนี้ แต่ผมอยากจะบอกว่าในสมัยพุทธ ก, กาลนั้นถือว่าดีที่สุดนะที่มีอาหารอย่างที่เราได้ฉันทุกวันตำมักุงเนี่ย <c oughs> แกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้ที่ที่โยมเข้าถวายมาไกลๆจากทางนิกาองรรมซ้อยก็บอกให้ทราบแล้วว่าแถวบ้านเราเมืองเราแถวคําตะกาวานนอนอากาศบัตรม่วงคือแม้แต่บ้านแพทย์ตรงนี้ ไม่เคยมีเมื่อก่อนไม่เคยมีการประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้ก็เลยเห็นเป็นเรื่องแปลแล้วมันก็เลยเป็นความโชคดีของพวกเราความโชคดีของพวกเราที่เกิดมาในยุคที่ไม่มีใครมารบกวนและที่วัดนี้ก็ไม่เคยมองเมาบอกเลขบอกหวยบอกเครื่องรางของขังนั่งทางในทำไสยศาสตร์ตกกะกรอมเตกบาลทําน้นํามนต์ลดน้ำมันอะไรต่างๆไม่เคยมองเมาคนก็เลยไม่มา เมื่อคนไม่มามากมันก็เลยเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้รับสบายะสิ่งแวดล้อมที่ดีที่งามสงบทำล้ำไม่มีผู้คนมาพุกพ่านมารบกวนเพราะฉะนั้นเช้ามาเราเออกไปบินธบาตพอได้ข้าว7จ็ปั้นแปดปั้นอโยุเก็บก็พอแล้วเนาะในสมัยพระพุทธเจ้าท่านลำบากยิ่งกว่า น, นี้แล้วผมเองก็อยากจะปองต่อท่านดังายว่า การที่เราได้มาฝึกมาอบรมทางด้านสมาธิภาวนากันทางอธิขิตตศิี่ยโดยท่านทั้งหลายก็เล็งเป้ามาที่ตัวผมเป็นครูบาเป็นอาจารย์เขาบอกให้ทราบก่อนว่าผมก็คือกันญยานณมิตรเป็นเพื่อนดีๆคอยแนะนําให้คําปรึกษาเท่าที่ผมจะมีความรู้เพราะผมเองก็ใหม่กันกล่าแล้วไม่มีบุญวาสนาได้ไปอยู่สํานักใหญ่ๆกับครูบาอาจารย์ผมสามปี แล้วมากันนี่ก็มีพระไม่เกินห้าพันษานอกนั้นก็เป็นเนองจ้ะทำชั้นตีชั้นโตชั้นเอกก็เห็นว่าจะเพียงพออยู่แล้วละทางด้านวิชาการสำหรับตัวผมเองก็ดังกล่าวแล้วผมนั้นเหมือนกับเกิดมาผิดจุกผิดสมัยที่ใจผมชอบที่สุดคือนั่งสมาธิเดินจงก้มทำ ค, ความภาคเปลี่ยนทางจิตคนเดียววั น, ว, นวันหนึ่งไม่ให้เห็นหน้าใครเลยยิ่งดี ที่พูดนี้ไม่ใช่ขับไล่ใส่งอไม่ใช่แช่งกันนะที่ท่านทัง้งหลายมาเยอะๆนั้นก็ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นการรบกวนผมหรอกแต่ตามใจจริงผมนั่นอยากจะอยู่คนเดียวทำความเพียรเดินไปเข้าป่าเข้าดงอะไรต่างๆพวกเนี้ยอย่างที่คูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านแต่ผมก็ทำไม่ได้ไปอยู่ไหนก็มีคนติดตามไปในป่าในเขา เกิดมาในยุคที่โลกไม่กำลังขาดแคลนเป็นและทำสังคมกำลังเล่าร้อนด้วยวิกฤต่ า, างๆเพราะขาดแขลนทางธเราก็เลยจะต้องมาทำงานหนะักดังที่เพื่อสัรมิกได้เห็นในป้ายในบอร์ดมันมากงานอย่างไปไกลถึงอลังญาประเทศนี่ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงไม่ไปก็เป็นเรื่องของเราเป็นหน้าที่ของพาที่จะไปทางาน เพรชะฉะนั้นงานมันก็เลยหนักหน่วงแต่พอเห็นท่านตั้งหลายที่เป็นพระห น, นุ่มเลน้อยมาด้วยกันเยอะๆมาฝึกสมาธิมาทำความเพียรกันอย่างนี้ทำให้ผมมีกำลังใจมากถ้าหากเพื่อนสามเหล่านี้มีอุดมคติมีอุดมการต่อพระสัตนะกันจริงๆผมคิดว่าอาจจะมีใครบ้างที่อยู่ตรงนี้มีบุญมีวาสตนากตาทิการมีบุญยาบาลมี จะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายชี้ทางออกบอกทางผูกนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยประาสนาผมหวังอย่างนี้ที่ถ้าเราจะหวังไปส่วนกลางทางผู้หลักผู้ใหญ่ท่านท่านก็นเน้นไปที่การศึกษาพรวิชาการ แรามเห็นว่าการศึกษาทางภาควิชาการนั้นมันเพียงพอสมัยนี้เรียกว่ายุคฟ้าสามทางวิชาการถ้าจะบิดกจากภาษาบาลีจากภาษาขอมมาเป็นภาษาไทยจากคําบาลีมาเป็นคําไทยแปลกันมาเสร็จเรียบร้อยเราสามารถที่จะค้นคว้าจะศึกษาลูกมันเหลืออย่างเดียวก็คือการปฏิบัติที่นี่การปฏิบัติของเราในยุคนี้ในสมัยเนี้ยเมื่อมีปัญหาอีกกว่ามันมาก เป็นกกเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายเป็นหมู่เป็นคณะในที่สุดเกิดอาการคอนฟก i c t i n g เข้ากันไม่ได้ตำนักหนึ่งว่ายอย่างหนึ่งตำนักหนึ่งว่ายอย่างหนึ่งยกตนข่มท่านตํำนิติเตียนตั้งข้อรังเกียจซึ่งกันและกันผมเคยไปบางวัดแม้แต่นเนรที่ถือว่าวัดที่มีคุณภาพที่สุดชื่อดังที่สุดอยากให้ออกชื่อเลย วิหารใหญ่มากบนภูเขาสูงขนาดผมขึ้นไปแม้แต่นเนนเขาก็ยังไม่ยอมกลาบไม่อยากจะพูดกับเราเขามองเห็นผ้าเหลืองๆเห่านั้นเองซึ่งมันไม่เป็นสีกลักอะไรต่างๆนี่แหละการหลอนห ล, อ, ลอมทางจิตใจทางวิญญาณครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรลูกศิษย์ลูกขางก็เป็นอย่างนั้นเหมือนลูกปู่กับแม่ปู่ แม่มันพาเดินยังไงลูกมันก็เดินอย่างนั้นแม่มันพาเคร่งคัดทางวิใ น, นแล้วก็ตั้งข้อรังเกียดคนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นกลายเป็นทิฏฐิมานะตันหาอุปทานยิ่งใหญ่ขึ้นมาเห็นแล้วก็สมเพศเวทนาเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทํำยังไงทีนี้พวกเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะก็ผมขอร้องว่ามาที่นี่ฝึกที่นี่ศึกษาอบรมแล้ว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 ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไว้ก่อนที่นี้เมื่อป ร, รบถึงพวกเราซึ่เป็นพระนุ่มเร น, นน้อยแล้วก็อยากแะพูดกันต่อไปว่ามันเป็นบุญเป็นวาสนาของเราที่ได้มาเกิดอยู่ในจังหวัดสกลนครแล้วเดี๋ยวีิท่านทราบไหมว่าในจังหวัดสกลนครเ น, นี้ยศาสนาคริสต์มีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของประเทศไทย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 ถึงบทบาทของพระสงฆ์และจุดยืนอันเด่นชัดของคณะสงฆ์ของเราในเขตจมงหักลนครอันนี้เราจะพูดกับใครพูดกับผู้รับผู้ใหญ่เราก็มีไม่มีอำนาจบาตนะไม่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจอกทากาลเราก็เลยมาปรรบกันกับพระภิกษุหนุ่มเน้น้อยที่เรากำลังมาฝึกมาหากันนี่พระพุทธเจาท่านกล่าวว่าโยฮาเวทฮโรภิกขุดินชันติพุทธสาสนง ถึงแม้จะเป็นพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยถ้าหากฝักไฝ่ขวังขวายต่อกิจการของพระศาตนาแล้วโซอิมังโรกังประภาเซติอัภามุตโตวะจันติมาภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็จะอย่างโลกนี้ให้สองสว่างเหมือนพระเจ้าโคจร อ, ออกจากกลุ่มเมฆแหงนั้น ตรงกันข้ามบวชมาสักสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีกินข้าวชาวบ้านขออภัยที่เต็มฐานมีปัจจัญานไม่เกิดเพราะไม่เคยประพฤติปฏิบัติยิ่งทุกวันนี้พระทรงองค์เจ้าของเราย่อย่อนพระธรรมวินัยมากพร้อมกันนั้นก็ยังดูถูกในการปฏิบัติเวรคืนให้แก่พระพุทธเจ้าบอกว่าการประพฤติปฏิบัติต่างสิต่างสมาธิปัญญาเนี่ยมันหมดสมัยแล้ว หมดยุค ข, ของพระ อ, อรหันต์หมดไปแล้วลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่อับพับที่สุดในยุค ข, ของเราแต่พร้อมกันนั้นมักจะดูถูกเกยาะเย้ยถากต่างพระนักปฏิบัติที่ตั้งแต่เราคิดปฏิบัติลักษณะเช่นนี้ผมอยากจะฝากท่านทั้งหลายในเมื่อเราได้มาท่วมกันฝึกฝนอบรมทางอาธิคิตาสิกาแล้วเราจะต้องเข้าใจอย่างหนักแน่นมั่นคงให้อภัย ตอพวกคี่ดูถูกอย่างอีกด้วยเพราะนั้น้าต้องมีใจบริสุทธิ์ใจเมตตาปาน่งประกอบได้วยปัญญาเพื่อจะยังทศรพศาสนานให้เจริญ ร, รุ่งเรืองเสริบไ้ให้อภัยกันได้ยอมกันได้ผมเคยไปวัดใหญ่หญๆหลายๆายถูกเขาดูถูกเยาะเยะ้เยต่างห <c oughs> าว่าเราเป็นพระโง่งเซอะอะไรต่างๆแล้วเปลี่ยนไปไหนไม่มี เขไม่มีความโกรธเลยแต่มีความรู้สึกสงสารท่านเหล่านั้นที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจยิ่งที่นายถือวินายอย่างเข่งคัดแล้วก็ดูถูกคนอื่นทั้งนั้นทั้งหมดนั้นนี่ยถ้าท่านเหล่านั้นได้ศึกษาให้ละเอียดให้รอบครอบสน่อยก็คงจะไม่ดูถูกไม่ยกตนข่มท่านไม่มีมา n a ไม่มีทิฏฐิมากจนขนาดนี้เดี๋นี้แต่กันเป็นกุ้เป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายเป็นหมูเป็ น, นกันน้อัน แล้วก็ตั้งขอรังเกียจซึ่งกระกันทำยังไงเราจะเห็นภาพเหล่านี้ให้พระสงฆ์องค์เจ้ารักสมัครสมานสามัคคีกันมองกันเหมือนน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้อย่างนั้นมองกันด้วยสายตาอันเต็มไปด้วยความรักพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูความพิสุตังหลายในทิศใดก็ตามถ้าหากพิสุรักสมัครสมานสามัคคีกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันได้ มองกันด้วยสายตาอันเต็มด้วยความรักูดกันด้วยถ้อยคาไปแล้วออนวันในทิศเช่นนั้นจะกล่าวไประยัยเพียงแต่คิดแม้แต่จะให้เราเดินไปเป็นระยะทางเป็นโจโจ้เราก็พอใจที่จะไปแต่ในทิศใดทางใดพระสงฆ์เจ้าไม่สมัครสมานสามัคคีกันเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ํากับน้ํานมมองกันด้วยสายต า, ยาอันเหย็ดยามในทิศเช่นนั้น อย่ากล่าวไปเลยว่าเพียงแต่เราจะเดินไปเพียงแต่คิดไปเท่านั้นก็ไม่เป็นที่ที่ให้เกิดความพากสุขแก่เราที่ผู้เจ้าท่านเคยพูดไว้ในเรื่องอรหันต์ตัศน์จะชี้แจงให้ท่านลังหลายได้คิดได้ฟังกันก่อนตักเล็กน้อยาพื่อจะได้เป็นบรรทัานในการต่อคึบปฏิบัติ ในเมื่อใดเรามีมานะมีทิฐิคอยดูถูกคนอื่นอย่างในวัดที่เนี่ยผมเคยบอกเพื่อนสาบนิกบ่อยๆว่าอย่าไปตั้งข้อรังเกียจคนอื่นจกินเกินไปแล้วมันจะทําให้ตนเองเป็นทุกข์ยังเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนมาร่วมเพิ่มขึ้นและบางท่านก็ไม่คุ้นเคยกับการชันอาหารครั้งเดียวไม่คุ้นเคยกับการฉันในบาทและสําหรับที่นี่ก็คุ้นเคยกันน่ะคุ้นเคยกันมาก แล้วก็จะไปดั ง, งเกียตรติองค์อื่นว่าชั้นสองครั้งชั้นในผ่าช น, นะเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ศินวิในที่บังคับให้ทุกองค์ต้องทําอย่างนั้นข้อนั้นเป็นเพียงวัดที่เรียกวัตุดงเขวัดวัดกับศินนี้ไม่ใช่อันเดียวกันศินนี้จะต้องทําด้วยกันทุกองค์ไม่มีใครยกเว้นได้แต่วัดนี้และแต่ใครทันนะเพื่อจะขูดดาเผาหลนกิเลส ข, ของตนเองอันเป็นฝ่ายฝักฝ่าย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 เขาเอาบุนบ้านอาหารเยอะแยะเข้าจัดมาเป็นสําหรับสํำรับแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมายกเอาออกจาก บ, บาตรเยอะแยะจนไม่มีที่ไว้แล้วก็เอาอาหารมาใส่เอาอะไรต้งมาใส่แล้วมันยุ่งยากไปหมดใยเวลามันพ่อพุทธยาสอนให้เราฉลาดไม่ได้สอนให้เรางุกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปแต่ที่ดีตามปกติที่นี่ก็ต้องฉันในบาตแล้วก็ฉันครั้งเดียวทีนี้เพื่อนที่มานี่ก็ไม่ต้องอับอาย ว่าไม่เหมือนเพื่อนแต่ก่อนก็ฝึกไปเถอะเดี๋ยวมันก็เป็นนะครับเอกบอกขั้นเมื่ออย่างนั้นที่นี้เรื่องศีลก็เหมือนกันเมื่อกี้เราพูดเรื่องวัดอยากเรามาอยู่ที่นี่ฉันในบาทเป็นวัดฉันสองเดียวเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดไม่นอนในกุฏิที่มุงที่บงังตลอดเวลานหนึ่งเดือนที่เรากําลังฝึกอบรมกันเนี่ยลักษณะ น, น, นี้คือวัดข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกา่า เราขัดเกลวไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อน่ามันดีกว่าคนอื่นแล้วก็ไปยกตนโง่คนอื่นอะไรต่างๆเราไม่เอานะเอย่าเอามันไม่เป็นมงคลแก่เราด้วยแ้วมันก็ทําให้เรามีตัวมีตนเยอะมันม่นเถอะมั่งเยอมาทีนี้เรื่องศีลเรารักษาภ า, ายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิกขาบทที่เป็นเบื้องต้นของพมจันทร์ จะต้องสมาทานไว้ด้วยชีวิตเบื้องต้นของพมจันเกิดอะไรอาบัตริปราชิกสังขารที่เสดทวงเนี่ยหนักๆเนี่ยอาบัตริรารชิกนั้นเป็นเบื้องต้นพมจันยอย่างบุบเลมร่วงเกิดไม่ได้หัวเด็ดตีนขาดเราไม่เอาส่วนสังขารที่เสดนั้นระนาว่าเป็นการอาพาธทางพระวินัยอย่างเข้าขั้นโคมา่าถึงกับขณะว่าผ่าตัด ถ้าใครต้องอาบัตสังฆทานที่เสรจแล้วจะต้องถ้าเป็นไข้ก็เปรียบเหมือนต้องพ่าตัดเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินต้องอยู่ตันพวกนี้เราเรักษาไว้สุดชีวิตนะอย่าไปละหลวมเป็นเด็กขับแต่นอกจากนั้น<ม>บางข้อเราอาจจะจำเป็นอย่างเรากวาดอะไรไปเนี่ยอย่างเราขุดดินอะไรลงไปบางครั้งมันจำเป็นเนี่ยมันก็ต้องแน่ๆแล้วอาบัตปัจจิตีอย่างเนี้ย อย่างน้ำที่เราเดื่มเราชันอะไรต่างๆนี้ยาบัตเล็กๆน้อยๆอยเหล่านี้ไม่เป็นความอาภัพต่อการบรรลุโลุตรธรรมแต่่าไปจงใจทำนะแต่ถ้ามันจำเป็นเราก็จะไปให้มันเศร้ามองเพราะว่าพระปุถุชนโดยยังไม่ได้ปอะพติปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่าอธิจิตติอธิจิตาสิกาเนี่ยตองอบัตไปจิตตีทํายุงตายตัวหนึ่งก็นั่งกุมขมับทั้งคืนเศร้ามองอยู่ทั้งคืน นี่คือความโง่โง่ที่วิ่งไปสัปปะตาไปพวกอบัดความจริงเมื่อรู้เท่าทันด้านนั้นก็ปล่อยวางไปเถอะเรื่องเล็กน้อยพระพุทธญานตัดไวที่ติกนริบาอังคุตในกายพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหน้าที่ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดข้อที่สามร้อยภาภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็หน้าที่สองรแปดสิบสอง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 แต่ว่าเราจะไปจงใจทำมันแล้วก็เมื่อมันต้องขึ้นมาเรื่องเล็นๆๆๆ้อยก็จะไปเป็นทุกข์งุมมข้ามาวาโอ้สมาธิเราไม่มีแน่ๆที่นี่เราเศร้าอมอง <c oughs> ในสมัยพุทธกาลโน้นคนเป็นพระอรหันต์กันเยอะแยะยังไม่มีหลอกอบับปาราชงละชกสังคาปาจิตินิสกีก็มีศีลอยู่สี่ข้อ คือปฏิโมกสังบอลสัรวมตายวาจารและชั่วทำดีทำจิตให้ของไสอินทรีสังบอลสัรวมตาหูจหมูกลิ้นกายใจยควบคุมด้วยสติทุกข์อาชีวะปรลิสุทธิสินบริสุทธิ์ด้วยการเลี้ยงชีวิตไม่โกหกไม่ลอกลวงไม่ยัง้งยอกลอกลวงไม่ทำเครื่องรางของขังสักกะม่อมเฟกระบานทำน้ำมน อะไรต่างๆไม่เอาทั้งนั้นเรียนชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ไปขอไม่ออกปากมีก็กิดมีอะไรก็เอาไว้อย่างนี้ไม่เป็นม้อทำนายบอกเลขบอกโวยม้อกันลุกซื้อลุกปืนลุกศอนมหาอุดหยุดปืนใหญ่อะไรไม่เอาทั้งนั้นและวสี่ข้อที่สี่ก็ปัจยยะปัจเวยขณะพิจารณาก่อนใช้ก่อนบริโภค ปฏิสีอย่างที่เราฉันเมื่อเช้าเราพิจารณาธาตปัจเวกย้าปฏิยังขวัตตมานังธาตุมะตเมเวตังและเราก็ไปพิจารณาอาหารต่างกณนกะปัจเวกปฏิสังขายโยนิโสปินทะปตังปฏิเสวาวิเราพิจารณาโดยแยกขายแล้วจึดขัดนั่นน่ะเป็นสินนะเพราะฉะนั้นท่านได้มาจากที่อื่นมาที่นี่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 แล้วถ้าหากว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างดีอย่างงามแล้วก็พยายามที่สุดการตาหนิตีเตียนลังเกียดเดียดชันคนอื่นจนเป็นทุกข์ผมเคยขึ้นรถมาจากสุรา ธ, ธานีครั้งนแล้วก็มีพระขึ้นมาสามองค์สององค์องค์หนึ่งก็ยังหนุ่มยังหนุ่มทั้งสองแต่องค์ที่เป็นหัวหน้าใสแว่นตาสีดำดำรู้สึกท่านจ ะ, ะแสดงความลังเกียด เห็นผมควักออกควักเงินออกมาจ่ายให้ค่ารถแต่ท่านนั้นมีพ่อข่าวน้อยไปด้วยและเอกองค์หนึ่งก็คุยกับผมดีองรองออกมาในขณะที่ท่านฉันน้าผมก็ผมลืมกระติกน้ำไว้ที่สวนหมกผมจะขอน้าท่านฉันผมก็เลยบอกว่าเออขอขอโทษครับผมอยู่น้ำท่านพอจะให้น้ำผมฉันได้ไหมท่านมองขวาง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 ลองแล้วท่านก็เลยถามว่าอยู่สกลนครเนี่ยเคยรู้จักอาจารย์สมภพไหมใคยได้ยินไหมผมก็บอกว่าเคยได้ยินก็เลยถามท่านว่ารู้จักอาจารย์สมภพผมฟังเทปในเทปเกี่ยวกับการปฏิบัติรู้สึกว่าท่านพูดได้ดีมากผมก็เลยบอกว่าผมก็รู้จักอ ย, อยู่ออยยููย่่บ้านเดียวฝากเพื่องธรรมิกทั้งหลาย ที่นี่ในมันในเงียมุมของการปฏิบัติตนเพื่อพระศาสนานั้นเราอย่าได้คิดว่าแม้เราเนี่ยเป็นตัวเล็กเป็นสามเณรตัวเล็น้อยหรือเป็นพระหนุ่มๆไม่มีอภอิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาแต่เป็นแหญเป็นโตเป็นพระครูจะคุณเป็นพระเถระอะไรเราจะทำอะไรได้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าแม้จะเป็นพระหนุ่มเ น, น้อย ถ้าหาไปผู้ขวัขวายในกิจการของพระศาสนาแล้วภิกษุผู้เช่นนั้นแหละก็จะย่างโลกนี้ให้สว่างเมืองพระจันโูจรออกจากกลุ่มมิ่งดังที่กล่าวแล้วที่ว่าโยคาเวทะฮารโภิกขุอินชันติพุทธศาสนังโซอิมังโลกังประพาเซติอภามุตโตวจัติมาม่จะเป็นพระภิกษุหนุ่มถ้าหากขวัขวายเพื่อกิจการของพระศาสนา ที่สุดนั้นก็จะอย่างโลกนี้ให้สว่างมืงึงพระจันโคจรออกจากกลุ่มเมฆนั้นที่ว่าโลกสว่างนั้นไม่ใช่ว่าโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรโลกนี้มีทั้งนั้นแต่มันมืดบอาทางหน้านจิตใจทางหน้าวิญยานจําเป็นอย่างยิง่งเห็นสามะเนรน้อยที่ตังอกตั้งแก่ประพฤติปฏิบัติอยูในขณะนี้ป่าเพิ่มยินดีที่สดุดเลยครับในเกียรตในใจ เพราะว่าเราจะไปหาดูที่ไหนอีกอย่างนี้ไม่มีถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยางส่งพระชนมายุยู่พระองค์ก็คงจะยิ้มอย่างชื่นใจ อ, อ้ลูกของเราตั้งอกตั้งใจทำอย่างดีเราเป็นลูกของพุทธเจ้าแล้วนะที่นี่ในบ้านเราเมืองเราในยุคนี้ในสมัยนี้เขตของเราไม่ค่อยจะมีกันดูแล้ว คอยเราทั้งหลายจงตั้งอกนั่งแกประพฤติปฏิบัติเป็นเนร์ก็ยังสามารถรักษาภาษาศาสรรรนาไว้ได้อย่างประเทศซีลังกาประเทศซีรังการเนร์สมัยหนึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของพวกคอลันดาพวกโปรตุกเกสพวกอังกฤษเปลี่ยนกันมาเป็นเจ้าของซีร้อยกว่าปีตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งผู้นับถือศาสนาคริสต์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 ในสารนังกรแห่งหมู่บ้านวินนวิทย์มาเลยะชนบทนี่คนนี้เที่ยวบินทาบาทขอขานกินแล้วก็เก็บรวบรวมหนังสือใบลานที่จานเอาไวขา้ขาดขาดวินวินไปเก็บตรงโน้นใบตรงนี้จะใบมาศึกษาฝึงพวกต่างศาสนาเขาทำลายจนในที่สุดเนนนี้สามารถเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทางสมาธิภาวนา ร ว, รวมเพื่อนเนนทั้งหลายหรือเพื่อนเด็กทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยบวชเนนให้ก็อยู่กันประมาณสิบกว่ารูปข่าวเล่าเลือกันไปทั่วทั้งแผ่นดินเมืองลังกายังมีพระซึ่งความจริงเป็นเนนและในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็อยากรู้เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาว่าทําไมยังต้องมีพระมีเนนอยู่มันควรจะหมดไปแล้วก็ให้ราชบุรุษมาตามเอาไปที่วังพระมเนร น, นี้ก็เลยเทศ พระเจ้าสิริราชสิงห์ฟังจนพอใจในที่สุดพระองค์ก็เลยกับเนื้อกับตัวกกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีปล่อยทิ้งศาสนาพุทธั น, นมาถือศาสนาพุทธดังเดิมเสร็จแล้วก็ประกาศให้พระสงฆ์ในกรรไกรฟ้าอนาประชาราเตรียนภายใต้เบื้องยุคคนบาทของพระองค์หันมานับถือพุทธศาสนาตามพ่อแม่บรรพบุโรที่เคยนับถือมาและก็ให้ในนิบวัดเป็นพระสังฆราช เนนบอกว่าฉันบวชไม่ได้ไม่มีอุปชาจำเป็นต้องมาขอพระที่ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หวบรมโกศได้ส่งพระไปพระอุบาลีคุณองประมาจานพร้อมด้วยภิกษุเป็นคณะไปสิบเอ็ดรูปไปบวชชาวสิงหอนเกาะลังกาโกนผมบวชกันยกใหญ่เป็นหมื่นหมื่นผ้าเหลืองรื่ออาลามกาตาวพัดปืนคืนชีพในแผ่นดินสิงหนเกาะลังกา ด้วยความพยายามฝักไปขวัญขวายของสามเณรสลาหนังกรตัวน้อยๆแล้วพวกเราชาวสกลนครเดนี่ศาสนาคลิสฟาเข้าไปตั้งผมคิดว่าเดน้ต้องเจ็ิเขตดมิดตังมากกว่ามากกว่าจังหวัดอื่นทำไมพระสงองค์เจ้าดีๆดังๆดูเมืองสกลนครของเรามีเยอะทำไมกลับมาเป็นอย่างนี้ สาเหตุนหนึ่งก็คือพระสอง์องค์เจ้าส่วนมากที่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่งามย่อหย่อนพระธรรมวินัยเป็นช่องว่างช่องโบให้คนต่างศาสนาตอกลิ้มสลักตีให้มันแตกกระจายย่องหลอกลวงบอกประชาชนว่าพระสอง์องค์เจ้าไม่มีควาที่บิวชั่นอะไรแก่สังคมเป็นแต่เพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดพร้อมกันนั้นก็เอารัดเอาเปรียบร่ำํำรวยมั่งมีนั่งรถเก๋งติดแอร์ปกอุติวิหารอย่างราชวัง บางแห่งมีผ้าห้าองค์หกองค์แต่ที่ปลูกสร้างเป็น ล, ะละ้านๆอยู่ดีกินดีเหมือนกับพระราชาชาวบ้านทุกยากลงทุกวันทุกวันหลังสู้ฝันหน้าสู้ดินปากกัดตีนที่ปาแบกหลังนุ่นทาไม่ได้ยืนคืนไม่ได้โยห์หามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดิ้นรนต่อสู้ยื้อย่งต่อแหวง่งหาได้มาส่วนหนึ่งยังมายกใส่เก้าเท้าใส่หวัวถวายท่านและท่านเหล่านะั้นไม่ได้ทําอะไรกับร่างรวยมา่งมี เขาชี้ช่องตรงนี้เนะี่ยเห็นพระมังรถเกง๋งมีสเตอริโอมีอะไรต่างๆเขาโจมตีในที่สุดในภาวะเศรษฐกิจบีบพันประชาชนก็หันเฮลังเล่ใจเอถ้าจะเป็นอย่างนั้นถ้าไปทื้อตำธนาผมไปเข้าตำสนาผมเนี่ยเก็บไข้ได้ป่วยมีหยกมียานานหนามีผ้าหม่มมีเสื้อผ้าใหา้ทุกยากลาบากมีทุนให้ด้วย ง, งเงาเซาะซะมีโรงเรียนให้เรีย น, เ, ยนเอาสิที่นี่ ระ บ, บเศรษฐกิจแบีบคันคนก็หันเหแล้วพวกเราผู้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่หรือว่าเป็นทหารแห่งธรรมจะรักษาพุทธศาสนากันไว้ได้ไหมถ้าเราไม่เอากันจริงจริงแจงแจงึกษากันจริงปฏิบัติกันจริงเรียกันจริงจะมันได้ประโยชน์จริงลักษณะเช่นนี้เลยที่พระพุทธเจ้า บ, บอกว่ายุนชันติพุทธาสาเสนขวนญขวายกิจการเพื่อพระศาสนา โซอิมังโล ก, กังประพาเตติอพามุตโตวจันติมาภิกษุนั้นก็จะย่างโลกนี้ให้สองสว่างเหมือนพระจันโคโจรออกจากกลุ่มเมฆชันนั้นที่นีบวชกันมาสี่สิบห้าสิบปีกินข้าวชาวบ้านขี้เต็มทามนิมปตนาญาไม่เกิดเพราะไม่เคยกระทำสมาธิภาวนาเอาเลยยิ่งไปกว่า น, นั้นได้เป็นใหญ่เป็นโตที่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าหนทางเสื่อมของพระศาสนาต่อไปในอนาคต พระผู้หลักผู้ใหญ่พระเทระออกเข้ามาบวชแล้วไม่พยายามศึกษาอาธิสิทธิจิตะตะสิกขาอาธิสินสิกาอธิจิตตะสิกขาอธิปัญญาสิกขาไม่อบรมกายไม่อบรมสินไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาให้ดียิ่งแล้วในเป็นใหญ่เป็นตก็บวชคุณระบุให้คุณระบุทั้งหลายบวชเมื่อคุณระบุทั้งหลายบวชตามหลังแล้ว อุบาอาจารย์นั้นก็ไม่ได้สอนไม่ได้อ บ, บรมกายอ บ, บรมศีลอ บ, บรมจิตอ บ, บรมปัญญาไม่ศึกษาให้ยิ่งถึงอาธิสิทสิขาธิกิตติขาทิปัญญาติขาอุณหบุตรเหล่านั้นก็เห็นเป็นแบบอย่างก็ลเลยอยู่ไปเลยต่ำเลยพระเทะสะสมพวกปัจใจสีมั่งมีสีสุขพวกอุณหบุรบวชทีหลังก็เห็นว่าอย่างนี้คือสิ่งที่ถูกต้องก็สะสมในพุทธเจ้าทั้งกล่าวว่านี่เป็นเหตุนหนึ่งที่ทําให้ศัตนาเสื่อม อยู่ไม่ได้นานเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมัน่นเป็นไปเพื่ออันตระทานของเพื่อศาสนาและอีกอันหนึง่งคําสังสอนอันใดซึ่งเป็นหัวใจเป็นแก่นแท้เป็นสป็นที่จะต้องอยู่เหนือโลกเป็นพ้อยคําอันละเอียดอันลึกซึ่งอันกว้างขวางอันประกอบไปด้วยความไม่ยึดมั่นเติมมั่นคือความว่างหากมีใครนํามาพูดมาเทศมาสอนจะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครสนใจจะใฝ่ฟัง แต่เมื่อได้คำสงังสอนของสาวกทั้งหลายแต่งขึ้นใหม่เป็นนักกวีแต่งขึ้นทอยคำไปเลาะอักษรสละสรวยเป็นเรื่องนอกแมวผู้คนจะสนใจเป็นอยา่างดีเอาง่ายๆถ้าหากว่าพวกเราจะมาเทศให้กับฟังในเรื่องสิสมตราทิปัญญาอะไรต่างๆไม่มีใครสนใจดูวัดของเราเนี่ยช้ามาท่านจำได้ไหมว่าเราไปบินถบานมีคนไบาทมีคนเดได้ไหมโอนะ้แา่เดได้ไหม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 ยิงทุกวันนุ่นงน้อยหอมน้อยพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเธอเข้าไปสู่หมู่บ้านไม่สำรวมตาได้ดีมาตุคามผู้นุ่งชั่วหอมชั่วคือชาเวบ็บเช้าวบาบ่าให้เราเห็นอย่างทุกวันและจิตใจเธอก็กระหวัดเข้าไปหยุดมันถือมันถือเป็นอนุพยัญชนะคิตกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นไรทีนี้ เสียงก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ค้ายน้ำปลามาแล้วสาวโซฟาค า, า, าเคียงไม่ลอยพี่ไส้ร่ำยังงับเผาต้อยเอาแล้วจิตแตกใจเพลพระหนุมเนนน้อยถ้าไม่รู้จักมีสติอยู่ทุกลมหายใจจนสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูนี่ผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, น ไ, ปไม่มีอดีตไม่มีอนาคตดูกับปัจจุบันทีนี้วิธีหนึ่งคือกําหนดลมหายใจไปด้วยแล้วก็นับคนใส่บาตด้วยมีกี่คนถา้าโมไปเพลออยังอื่นมันจะลืม เมื่อวานผมไปสายบ้านน้อยๆมีคนใส่บาตรยี่สิบเก้านคนแต่ผมไปบ้านใหญ่วันนี้มีคนใส่บาตรยี่สิบอคนพระเน่งของเราเลือกรวมสามสิบคนละคนกลับไม่ถูกเมื่อวานมีคนมาจังหันกี่คนเราอยู่กันแค่สี่นี่ะนะเรื่องขนาะเช่นนี้แหละเราจะเห็นได้ อย่างชัดเจนทำไมจึงมากันน้อยที่วัดเราแล้วคุณไปดูที่วัดผีกองกอยให้วัดผีกองกอยลองไปดูตรงไหนบอกเลขตรงไหนให้เครื่องรางของขังตรงไหนหมอเมาประชาชนสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้เึ็งที่พิสูจน์ไม่ได้ประชาชนจะหลั่งไหลไปตรงนั้นเพราะว่าคนเรานั้นนะต้องการความอยู่ดี กินดีอยู่เย็นเป็นุกอะไรจะอํานวยเรื่องทรัพย์เรื่อ ง, องยศเรื่องไมตรีเรื่องความอยู่ดีกินดีให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งป่าถนาของเขานี่สําหรับคนจนก็ต้องหลังออกไปทีนี้สําหรับคนรวยที่มีแล้วเขามีเงินมีทองมีอำนาจป่าธนาแล้วเขาก็เกิดความห่วงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นอะไรเล่าจะทําให้เขาปลอดภยัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส, สิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่เขาป่าถนา คนจนถ้าเยอถ่ายานต้องการอยากได้ก็สนองจิตใจของคนจนบอกเลิกบอกหวยบ้างในเครื่องรางของขลังอะไรไปเงี้ยคนจนก็ไปเสี่ยงก็ลังไหลไปทุกยากแค่ไหนก็ต้องไปส่วนคนรวยที่มีแล้ว่านมีเครื่องรางของขลังมีเลี้ยญแจกรถน้ำมนันพ่นน้ามันอะไรให้ทําเป็นเก่งเก่งขึ้นๆให้สิ่งเหล่านั้นจะคุมของเขาให้มัน่นคงอยู่กับทรัพย์ยศและไม่ตรีปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเขาเด้าใจนะเขาลังไหลไป ทีนี้เราก็มาพูดแต่ธรรมะธรรมะอยู่อย่างนี้เขาไม่เข้าใจเขาจะมาทําไมนี่ที่พุทธิจารย์นั้นบอกว่าเยเตสุตันตาคัมพีราคัมพีรัฐาโรกุตตลามุญจะตับปฏิสังกิตาประสูตรอันใดอันเป็นคําสั่งสอนของเราตถาคตเป็นภาษิตของเราตถาคตเป็นเรื่องดุนเนื้อลลกเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องละเอียด เป็นเรื่องอันประกอบด้วยความว่างไม่ยึดมัน่นแต่มันจะไม่มีใครไปฟักมปอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องเอาใจใส่กันพอสมควรในการประพฤติปฏิบัติอย่าเข้าใจว่าเรามาทําเล่นกันเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราควรจะได้พยายามให้ถึงจดุดจุดหนึ่งในการปฏิบัติที่เรียกว่าฟ้าสังฟาสังทางปริยัตได้ฟ้าสังขึ้นมาแล้วแต่ทางปฏิบัติเนี่ยเพิ่งจะรูปอารุณ์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 สิ่งที่เขาได้มาและสิ่งที่เขามีอยู่ทางวัตถุนั้นไม่ได้ตอบสนองความอยากของเขาให้สาตงใจเมื่อไม่ได้สาตงใจเขาก็เป็นทุกข์เมื่อเขาเป็นทุกข์เขาก็หาทางออกทางออกเขาก็คือยาเสพติดยาเสพติด ก, ก็ให้เขามีความสุขชั่วคราวและความปรารถนายาเสพติด ก, ก็มากขึ้นเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้เขาก็หันไปแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจปฏิเสธสังคมเสพสมกันเป็นห ม, ม, ม, มู่หมเหมือนสัตว์เดรัจฉานพวกฝรั่ง นัด ก, กันไปแก้ผ้าที่หาดไมอามีเป็นหมืน่มนๆคนอย่างเงี้ยที่หาดฟอริดาอย่างเงี้ยตำรวจต้องไปจับต้องไประเบิดด้วยแก่นังตามั่วเซ็กฟีเซ็กแล้วก็สูบยาเสพติดแล้วไงเช่นนี้ก็ไม่ช่วยเขาอิ่มเอมทางด้านจิตใจให้เขาพ้นจากความทุกข์อะไรไปได้เช่นนี้บังเอิญหันมาทางตะวันออกก็เลยเห็นศาสนาทางตะวันออกศาสนาฮินดูศาสนาพุทธ หรือศาสนาพุทธฝ่ายมหายานหรือทางทิเบตนุ่งกดิสอนทางด้านจิตใจพอบัญญับัญญังิเขาก็หันมาศึกษายิงบางคนสืบมาถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลเห็นประเทศไทยนี่เป็นประเทศผู้นำทางศาสนาเขาก็หลั่งไหลก็มาศึกษามาคนความาประพฤติปฏิบัติดังที่กฎหมายมาขอเทพผมก็ยังไม่มีเวลาให้คิดว่าอาทิตย์หน้าหรือ มีเวลากลับมาจากไปปาทกระถาที่อรั ญ, ญประเทศอะพุทธาบันทึกเป็นาภาษาอันงกฤษม้วนสอมวนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาเป็นานามประกาศตาดนาไปในตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เราไปต่างประเทศผมคิดว่าบ้านเรายังทํางานไม่ได้ผลเท่าที่ควรมันดูจะอยู่ไปได้อย่างไงเป็นห่วงที่สุดก็คือประกาศธนาเราจะทํำยังไงกันพวกฝรั่งเขาหันมาทางตาดธนา พเราก็ศึกษาค้นคว้ากันเอาสิ่งเอาอย่างอีกต่อไปแน่ๆอาจจะเหลืออยู่ที่เมืองฝรั่ผมได้อ่านหนังสือของนายอาเธอร์เกสเอร์ Arthur, ester, แกเขียนเรื่อง The Lotus and the r o b o t แปลว่าดอกบัวกับหุ่นยนต์หุ่นยนต์นั่นก็คือวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีทางโลกตะวันตกส่วนดอกบัวนั้นก็คือพุทธศาสนาสัญลักษณ์ที่พ้นออกมาจากตมโคนแล้วก็เบ่งบานบริสุทธิ์ เขาเขียนขึ้นมาดีมากในเนี่ยแล้วในที่สุดเขาก็เขียนมาเยอะเยอเราเขาบอกว่าเมื่อใดเขายากจนเข้ามาเขามาศึกษาทางตะวันออกของเราเนี่ยเขาสามารถจะเป็นลูกศิกษย์ที่ดีทางตะวันออกอย่างเรื่องพุทธศาสนาเมื่อเขาศึกษาแล้วเขาก็สามารถจะมาเพื่อปฏิบัติให้ไปถึงเอ็เซนต์ถึงแก่นสารคือความดับทุก ering, เดสทอยสับฟริงหรือว่าเอ็กซ์ตริงชันออฟดูําลายดับทุกไป ได้แต่พวกเราสองพันกว่าปีมีพุทธศาสนาอย่างรูปอย่างคำกันโยมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ปฏิบัติเล่ น, ล น, ลนหัวคัวกันไปอย่างนี้น่าเป็นห่วงฝรั่งเขาเอาจริงเขาบอกว่า as p p we were not bad b u t hopeless as teacher ขึนก็อภัยผมพู ก, กเป็นศาษาฝรักงสองสาคำแปลว่าเมื่อเราเป็นสิท์นั้นเราไม่เ็วเลยแต่หมดหวัง h o p e l e h o p e l e as teacher h o p e l e หมดหวังเมื่อเป็นครูสิ่งที่เขาทําได้ดีๆงามทางด้านวัตถุอย่างเทคโนโลยีอะไรต่างๆเขาเป็นครูเราไม่ได้คือเราทําที่จะเป็นสิทธ์เรียนตามเขาไม่ได้มีแต่ซื้อเขาไม่มีเงินก็ดาวไม่มีเงินก็เป็นหนี้เป็นหนี้เป็นหนี้เป็นหนี้อะไรมากเกินมากเกินมากอย่างเงี้ยยิ่ักษณะเช่นเนี้ยเพราะว่าต่อไปนี้พวกฝรั่งเอาจริงเอาจังเข้าเราอาจจะต้องไปเรียนกับฝรั่งในทางพุทธศาสนาเราทั้งหลายอย่าให้เสียชาติที่เด็กเกิดมา ภพุท ธ, ธะตระหนักได้บวชในประธรรมยังไงเป็นพระหนุ่มเนน้อยตั้ง อ, อกตั้งใจเอาวันนี้เราพูดกันมาวันม า, มานานนะเนี่ยยังไม่ได้ไปเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอัน เ, นเป็นเก่งเล่งหนาเท้าหาบาเห็นตอนสดแต่นาค่าแขวะต่ำเงตายวาวจนเมื่อยเล ย, ย, นน เ, นล ย, เ, ยเนี่ยั น, น ไ, ได้เนื้อหาสลระอย่างเลยเนี่ยบริเวณแนวเปรนได็นเนาะที่นี่เราก็มาพกเกี่งการปฏิบัติของเราตามปกติ ที่ผมเน้นที่สุกก็คือเรื่องอานาปานัสติที่สวดกันจบไปสามนเน้นแน่นอนสวดจบไปนะมันเป็นขัน้นเป็นตอนนะอานาปานัสติเป็นเรื่องละเอียดละเอียดเริ่มต้นเป็นสมถะเพียงสองขั้นเท่านั้นนะที่ขังว่าอัสสันโตรัสสังวาอาัสสันาาโตอัตตปฏสสมิติปะชาณติ มีความรู้สึกตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวเข้ายาวมีความรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นเข้าสั้นเพียงแต่รู้เฉยๆตรงนี้รู้เฉย ๆ, ๆพอเริ่มข้อที่สามที่สี่ไปจนถึงสิบหกใช้คําว่าสิกขิสภกายาเป็นสังเวทีอศาศะปัสสะสามิติสิกขิตปัสสะไมยังกายาสังฆาลังอศาศะปัสสะสามิติสิกขิปะะัสสะสิตสะสามิติสิกขิต ช่คำว่ า, าสิกิติสิกิติน่เริ่มแหละสิกิติแปลว่าศึกษาอบรมสังเกตอ b s e r เริ่มก็เป็นวิปัสนาเริ่มตอนสองขั้นเป็นสมถาะาเพื่อให้สงบหลังจากนั้นก็มีวิปัสนาคือสังเกตเยื่อเจือเจือไปจนถึงปัจจามาอย่างกายยสังขารลังทํากายสังขารให้ลำงับแล้วก็สุดเวียงของสมาธิมีความสงบเยือกเย็นเป็นฌาน หนึ่งสองสามสี่ว่าว่ากันไปก็สุดเพียงแค่นี้จากข้อที่ห้านี่เป็นเรื่องวิปัสนาไปเลย ล, ล้วนเลยทิ้งสมาธิไว้ข้างหลังมีคําว่าปีติปฏิสังเวทีปฏิสังเ ว, วทีใช้คำว่าปฏิสังเวทีทั้งนั้นพอเริ่มพอเริ่มข้อที่ห้าเริ่มข้อที่ห้าขึ้นใช้คำว่าปฏิสังเวทีปฏิสังเวทีรู้พร้พอมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะ สังเป็นว่าพร้อมปฏิสังเวทิรู้ผมจะบอกปีติปฏิสั่งเวทีอสัปตะต้ามีติสิกติที่สุดนั้นทําในบทตรัสรว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติอยางหาจะเข้าหาจะออกเลื่อยไปจนถึงสุขปฏิสังเวทิที่ิะสร้งางกาลังปฏิสังเวทีิเต้องไปอย่งงางทิตจะสร้างกาลังปฏิสังเวทิไปจนถึงปฏินิสข า, านุ ป, ปัสี ทังนี้เป็นเป็นปัญญาที่นำที่นาสมาธิสมาธิก็ตามเจือเจือไปมันมันสัมพันธ์กันเป็นเข้าเป็นโคนเป็นขั้นเป็นตอนนะผมจะขอยกโครงสร้างให้เห็นไปก่อนว่าสองตอนแรกสองตอนแรกตั้งแต่ลมยาวลมสั้นเป็นสมถาะาล้ว น, วนเป็นสมถาะาเพื่อให้จิตสงบปล้ว น, วนใช้คำว่าปะชานาติคือรู้ ตัวทั่วพร้อมเฉยๆว่าหายยาวหา ย, ยาสัน้นพอเริ่ม3ามสี่ก็มีควาว่าสิกขติสภาพกายาปฏิสังเวทีอสภปสัตตรตามีติตสิกขิติพิษุนั้นทําำในบทตึกษาว่าเราเป็นผู้รู้สึกซึ่งองรมทางปวงรู้สึกซึ่งใจทางปวงหายใจออกหายใจเข้า แล้วมาประสับไปอย่างกายสังขาะหลังพุทธศิษา์สามีศีขติสังเกตว่าความลงนับลงไปของกายของลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงจนถึงกับไม่หายใจเลยสงบลงงับไปเลยอย่างนี้นี่คือจะเป็นสมถแต่ก็เริ่มมีวิปสนนาอ่อนๆคือมีคำว่าศิขติสังเกตมันนะย่าเพิ่งลงมันพอเริ่มข้อที่ห้าเกิดปีติ ความสุขนี่มันจะเกิดปีติมันจะเกิดเมื่อจิตตายสังขารลำงับเต็มที่ลำนับคือเย็นแสนจะเย็นไม่เจ็บไม่ปวดนั่งทั้งคืนในสว่างก็ยังได้ข้าวไม่อยากกินทั้งวันสามวันสีวันก็ยังได้นี่คือความลำงับลงของตายเมื่อกายลำงับลมลำละเอียดเย็นแสนจะเย็นเย็นในเนื้อในตัวในห้างในหัวเหมือนเอาน้าแข็งมาแช่ไว้อย่างนี้มันเกิดปีติเรียกว่าภารณาปีติ ไอตัวปีตินี้ช่วงนี้เราจะต้องรู้มันดึงใช้คำว่าปฏิสังเวทีอันนี้ปัญญานำหน้าสมาธิไอสองข้อแรกแรกนั่นเป็นเรื่องสมาธิล้วนๆบิบให้เกิดสมาธิพอข้อที่สามที่สี่ีเริ่มมีปัญญาเจือกันมากับสมาธิพอมาถึงข้อที่ห้าที่ห้าหกเจแปดหนึ่งปัญญากับนาหน้าสมาธิไป มันเป็นเรื่องของวิปัสสนาเพราะว่าครันี้เป็นขั้นเป็นตอนที่จะเกิดอันตรายทุกคนเมื่อจิตเมื่อกายลำงับลงมาลำงับไม่เจ็บไม่ปวดและจิตมันลำงับด้วยโดยโดยอัตโนมัติได้ร ว, วลำงับโดยสมาธิยังไม่ใช่เป็นลำงับโดยสติยังไม่ใช่ลำงับโดยวิปัสสนาเป็นลำงับโดยสมาธช่วยฟังให้ดีนะช่วยฟังให้ดี ผมพูดเร็วๆแล้ ว, ลวท่านตัา ง, งหลายอยาฟังไม่โูที่พูดมากๆนี่อยากจะให้เข้าใจหรอกนะไม่ใช่ผมขยันพูดผมก็อยากจะเป็นนั่งพักผ่อนดูจิตดูอารมณ์ดูอานิจังรูกลางอานาตาตามเรื่องของผมแต่ที่มาพูดมากๆในตองการให้เพื่อนได้คิดได้รู้ได้เห็นตามไม่ใช่ผมขยันนะธรรมนะอะไรน่ะมันบีบมาให้พูดมาพูดให้เพื่อนฟังที่นี่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 บางคนก็นโดดจากที่สูงออกแกนหน้าต่างจะหะกห้หามเขาลงพยาบาลมามากแล้วเพราะปีตินี่มันเกิดอมันเกิดหลายอย่างเกิดแบบตัวเบาๆที่เรา uplifting joy พู่เป็นภาษาฝรัง่งฝรั่งเขาใช้คำว่า joy นะไม่ใช่คำว่า c h a s ไม่ใช่ใจเงี้ยรับเชื่อ ย, ยังไม่ใช่เลยไอ้ตัวนี้แต่ทางภาษาบาลีใช้คำว่าปีติเหมือนกันที่เรวาวาเพลงฮาปีติอย่างเงี้ยอันตราย แล้วก็มีพวกโอกันติกาพวกคนิกาอะไรต่างๆมาเป็นละลอกละลอกน้ำตาไหลคนลุกคนพองเยอะๆต่างๆพวกนี้พวกนี้เรารู้มันเฉยๆี่จกบปฏิสังเวยที่รู้มันรู้มันหมายจะเข้ารู้มันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันเป็นมันเป็นได้เพราะความระงรับลงแข็งตันที่นี่พวกนี้ไม่เป็นอันตรายแต่ก็ทำให้บางคนกลัวเมื่อคนลุกเมื่อมันเกิด ทานร่างกายในร่างกาย ต, ต่อทานอะไรต่างๆมักจะกลัวเราไม่ต้องกลัวเรารู้ใจใช่แล้วถ้ามันเกิดตัวเบาบันนี้หลงไปเลยเขาเ้าจว่าตนเองเป็นเพราะลรหันไปนละมั่งอะไรต่างๆนี่เราก็ไม่ยอมหลงรู้มันจจใช่แต่ปีติที่เราาะถนาที่สุดก็คือตัวโน้นภานาแผ่สร้างไปทั้งตัวเย็นแสนจะเย็น เย็นอมมากๆอวัยวะเพศหดตัวเข้าไปในเบ้านูนะ่นเหมือนถูกยาหดองค์เวทถ้ามันเป็นอย่างนี้บางท่านก็จะบอกแม่เราในป่าหารกาบเสร็จเรียบร้อยแล้วในสมองในภาษาเย็นความจริงไม่ใช่นะมันลำงับจะไม่รู้จะลำงับยังไงแต่มันยังไม่ตายหรอกมันั่นอยู่ในนั้นไนงะมันเหมือนน้ำที่มันมันขนุนเมื่อมันโดนสารส้มเข้าไปแกล้งหน่อย ตามต้ม อ, ออกฤทธิ์มันก็เลยจับตะกอลงไปนอนก้อนอี่ไม่ผิดกันจิตเหมือนกับน้ําที่มันขุนขนส่วนสมาธิก็เหมือนกับตามต้มที่ไปกวนกวนไล่ความจิตส่วนเกินที่เรียกว่านิวรณ์นะนิวรณ์ความรักเกินชังเกินเกียรเกินโง่เกินฉลาดเกินโหดหูอะไรต่างๆอ่ อ, อนแอเกิน เราเราไม่อยากจะพูดภาษาบาลีเท่าไหรที่เรียกว่ากามะันตะพยาบาทวิจิกิจชาวตินะมิทะอะไรต่างๆอุทจจะกุกฏจะเราจะพูดว่าจิตส่วนเกินรักเกินที่เป็นฝ่ายกามชังเกินเป็นฝ่ายพยาบาทโง่เกินปุ้งโง่เกินนี่ก็คืออสงสัยวิจิกิชา ฉลาดเกินก็คือถ้าจะกุกกขจะคิดพล่านไปหมดฟงไปพิจารณาอะไรเก็บมาคิดไปหมดแล้วก็ง่วงนอนซึมก็ถืออ่อนแอเกินหรือจะพูดใหม่เรียกว่าจิต ท, ที่มันมีความกำหนัดขัดเครื่องหลังเลสงไสฟุ้งซ่านลำคานง่วงเงาห้านอนมันถูกสมาธิสะกดมันสารส้ม วนมันมันก็เลยจับตัวเป็นตะกอนนอนในก้นผ่องใสไปหมดในช่วงนี้มันเกิดปีติตัวที่มันเย็นแตนจะเย็นความรังับทั้งกายทั้งจิตโดยธรรมชาติจนอวัยวะเพศหดตัวเข้าไปภายในอย่างเนี้ยดูให้มันดีๆเดี๋ยวมันก็ออกมาเองได้เนี่ยมันหดได้ย่างงั้นเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นประหารถ้าจะประหารกันจริงมันต้องโน่น ไปถึงขั้นธรรมานุปัสนาเห็นอนิจจานุปษษัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคายใช่ว่าวิราคาไอ้ตัวนี้วิปัสนาล้วนๆแต่แต่อนิจจานุปัสีถึงปฏินิสขามีคําว่านุปัสสีนุปัสสีนไะม่ใช่ไม่ใช่สิทธินะ์มันไม่ขั้นเป็นตอนที่สมบูรณ์กันมากอานาปานาสตินีตึงพระพูดจริงจังท่านเปรสเฟะท่านเปรสเฟนมากท่านได้รับรู้เพราะอาอนาปานาสติ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 เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เราจะเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมเป็นอยู่ด้วยสมาธิอันสมยุวยอานาปานสตินีแลเมื่อใดเราเป็นอยู่ด้วยสมาธิอันสมยุติอานาปานสติมีกายของเราไม่ลำบากกายของเราไม่ลำบากอาสวะของเราก็เพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นด้วยความิสูทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจกเพึงหวังว่ากายของเราก็ไม่ลำบากกายของเราก็ไม่ลำบากอาสวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นหล่ะไซ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 เ, เอามายักแต่เดียวลมาหายใจหายจจเข้าก็พิจารณาเห็นปฏิกูลนะโยมพี่นมันกลายเป็นของปฏิกูลไปหมดนะมันละเอียดละเอียดนะครับพุทธิยานธรรมนเสิมากไปเปิดดูสั่งยุตนิกายนะสั่งยุตนิกายอาณาปานะสั่งยุดเล่มนี้ใหญ่นะมีเป็นพันๆข้อที่ผมกล่าวมานี่เป็นทีปะสูตรแปลว่าสูตรอันเกี่ยวกับพพึ่ง เรายุตริกาจมหาวาราวักเล่มที่สิบเก้ากอปันสามร้ยี่สิบเจ็ดหน้าที่สามร้อยเ้าสิบห้ามันหลายมันใหญ่เล่มนี้ใหญ่ล้วมีตัวอย่างของอนาปานสติอยู่ตรงนั้นเยอะเลยแล้วภาษาริบุตรท่านเคยตักไว้ในคุตการนิกายปฏิสัมพิธธรรมมหาวักอนาปานากธาเล่มที่สามสิบอ็ด